พากันวิ่งจะไปลงทะเลเพราะฟังคําของกระต่ายตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดถือเอาเรื่องของคนอื่นคือเรื่องนี้จริงๆเราจะได้ยินโดยทั่วๆไปคือเรื่องของกระต่ายตื่นตูมคือชาดกเรื่องนี้นะทุตทพะอะไรเนี่ยชาดกเนี่ยนะคือตูมลงมากระต่ายก็นึกว่าอะไรฟ้าถลม่มบินทลายแล้ว โอ้โหตะโกนใหญ่เลยว่าฟ้าถล่มดินทลายแล้ววิ่งไปที่ไหนก็รีบวิ่งหนีอะไเลยพวกสัตว์ต่างๆก็เลยโอ้โหใช่ไหมคิดว่าฟ้าถล่มดินทลายจริงกบวิ่งกันใหญ่วิ่งวิ่งตามๆไปกันหมดเลยซึ่งถ้าวิ่งวิ่งต่อไปต่อไปเนี่ยไอ้ข้างหน้ามันเป็นทะเลเราจะวิ่งลงทะเลกันหมดตายหมดเมื่นั้นพระเจ้าเนี่ยท่านก็ยกชาดกเรื่องเนี้ขึ้นมาเพื่อที่ไอเห็นว่า นี่แหละคือเรื่องแบบว่าไม่ใช่พอได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมากเออ็เชื่อกันไปเลยตามนั้นเลยแล้วก็พากันไปลงทะเลหมดก็คือเนี่ยในที่สุดก็เลยยกทัพมาเพื่อเพื่อที่จะมาฆ่าแกงกัน น, น, นั่นคือชาดกเรื่องที่สอง่าต่อจากนั้นพระองค์ก็ตรัสเทศนาลัตติกกะชาดกโโหนี่ชาดกเรื่องทานะนี่เล่าไปสองเรื่องแล้ว น, นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาม ว่าดูก่อนมหาราชทั้งหลายบางคราวผู้ที่มีกำลังน้อยก็หาช่องทางทาลายผู้มีกำลังมากได้บางคราวผู้มีกำลังมากก็ได้ช่องทำแก่ผู้มีกำลังน้อยแม้แต่นางนกไส้ยังฆ่าพญาช้างตัวใหญ่โตได้นะอันนี้คือชาดกเรื่องที่3เรื่องนี้ถ้าใครจำได้นะอาจาก็เคยเอามาสอนไปแล้วเรื่องที่มีช้างผ่าน ตัวหนึ่งปรากฏว่าเนี่ยไปเหยียบลูกของนางนกไส้นี่ตายทาั้งทั้งที่นางนกไส้นี่ขอร้องแล้วว่าอย่าทำร้ายเลยแต่ช้างพานตัวนี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจอ่ะก็เหยียบฆ่าลูกนกตายเรียบนางนกไส้นี่ก็เลยแค้นแค้นเสร็จก็เลยเนี่ยเที่ยวไปคบหาจำได้ไม่หมดแล้วนะอ่ามีอะไรบ้างอะ่ะไปคบหากบไปคบหาแมลงวันไปคบหา เออนกนกแหละแต่จําไม่ได้ว่านกอะไรนั้นนกก็แล้วกันแต่จําไม่ได้มันมีว่านกชนิดไหนออยู่อย่างนึงอ่ะเสร็จแล้วก็เลยปรากฏว่าออพอคบหาเสร็จก็บอกก็ขอร้องให้ช่วยช่วยเสร็จขาวนี้ก็เลยนกเนี่ยไปจิกตาของช้างให้บอดเสร็จแล้วแมงวันก็ ไปตอมตาช้างใช่ไหมไขไว้ให้ให้แบบว่าให้เน่าให้อะไรเออช้างก็เลยตาบอดตาบอดเสร็จคราวนี้ก็ให้กบไปอยู่ที่ยอดเขาแล้วก็แกล้งร้องเพราะว่าไอช้างนี่มันก็คันตาใช่ไหมแบ่งวันไปไขเอาไว้อะใช่ไหมตามันก็มันจะไปหาน้ำํำไงเพราะนั้นให้กบไปอยู่ที่ยอดเขา่ลิมผาแล้วก็ร้องเสียงกบ ให้ช้างเนี่ยนึกว่ามีน้ํามีน้ําอยู่ช้างก็เลยเดินไปจนกระทั่งตกเหวตายตกเขาเนี่ยตายพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เล่าชาดกเรื่องนี้ให้กับพระราชาทั้งสองฝ่ายให้รู้ว่าเนี่ยเนเนี่ยเนี่ ย, ยอย่านึกนะว่าฝ่ายไหนกําลังมากกําลังน้อยแล้วเนี่ยนะ่คิดว่าแต่จะชนะบางทีเห็นแค่นางนกไส้เนี่ยตัวเล็กๆแค่นี้ สามารถฆ่าช้างตัวโตได้เพราะอย่าเห็นว่าเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆนี่แหมมันอะไรอะไปทําจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ฆ่าแกงกันก็ได้นะแล้วอย่าหลงคิดว่าตัวเองนี่กําลังมากกว่าแข็งแรงกว่าอีกฝ่ายนึงนี่สู้เราไม่ได้อะอีกฝ่ายนังกำลังน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะเนี่ยพระเจ้าท่านก็ยกชาดกเรื่องนี้มาเล่าอีก พระบรมศาสดาตัดเทศนาชาดกสามเรื่องเพื่อทรงพระประสงค์จะระ ง, งับการทะเลาะวิวาท ด, ดังนี้แล้วจึงตรัดเทศนาชาดกอีกสองเรื่องเพื่อแสดงสามคีธำเหมือนดังนั้นอีกโอ้โหนี่จะแถมอีกสองเรื่องวันจะให้เห็นเลยนะว่าผู้เจ้าเนี่ยท่านขนาดจริงๆเนี่ยยอมแล้วนะทั้งสองฝ่ายนี่ยอมแล้วนะแต่ยอมอย่างแยยอมเพราะอะไร ยอมเพราะพรพุทธเจ้าใช่ไหมถามจริงๆว่ายอมจริงไหมถ้าพระพุทธเจ้าไปนี่ไม่แน่ใช่ไหมออาจจะลบกันอีกก็ได้วันพระพุทธเจ้าท่านก็รู้รู้ว่านี่เนี่ยยังๆเพราะว่าทิฏฐิหรือว่าความคิดเห็นถ้าไม่ปรับไม่แก้ไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้ยอมเพราะว่ามีบุคคลที่เคารพศรัทธานี่อยู่เพราะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ยอมให้พระพุทธเจ้าทางหากเราถูกไหมเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ เดี๋ยวก็ไม่ยอมอีกมันพุทธเจ้าท่านรู้อันนี้เพราะฉะนนั้ท่านคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้ให้ได้เนี่ยต้องเนี่ยเทศหรือว่าต้องสอนหรือว่าต้องเปลี่ยนทิฏฐิของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้มีความคิดที่ดีหรือว่าที่ถูกต้องเนี่ยขึ้นมาให้ได้ถึงจะแก้ปัญหานี้จบวันตะกี้นี้ตอนแรกเนี่ยส า, สามเรื่องใช่ไหมสามเรื่องแรกนี่ปรากฏว่า พูดแต่เรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องการทะเลาะวิวาทให้เห็นบ้าโอ้โหมันเลวร้ายยังไงบ้างแล้วมันทำให้ต้องต้องตายกันยังไงบ้างนะมีทุกมีความลําบากกันยังไงเสร็จแล้วตอนนี้จะตัดอีกสองเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีแล้วว่าควรจะสามัคคีกันมากกว่าไม่ใช่ไปมัวทะเลาะวิวาทกันนะสองเรื่องนี้ก็คือนะก็ตัด เทศนาลุกขธรรมลุกขธรรมชาดกความว่าดูก่อนมหาราชทั้งหลายก็เมื่อบุคคลพร้อมเพียงกันอยู่แล้วใครๆก็ไม่อาจหาช่องทาร้ายได้นะอันนี้ในที่นี้เนี่ยเขาเขาย่อนิดเดียวถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องออที่มีเทวดาลุกลุกขเทวดาเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอ่ะ พวกที่อยู่ประจําต้นไม้เนี่ยหรือว่าผู้ที่รักต้นไม้นะปากฏว่าว่าอยู่กันในดงอะไรอะป่าลังหรื อ, อยังไงเนี่ยนะถ้าจําไม่ผิดนะเสร็จแล้วก็ปากฏว่าเทวดาเนี่ยในที่นี้มีอยู่สองพวกพวกหนึ่งเป็นพวกเทวดาบัณฑิตอีกพวกหนึ่งเป็นเทวดาพาลพวกเทวดาบัณฑิตเนี่ยก็บอกว่าเอออยู่รวมกันในในที่เนี้ยดีแล้ว นะอยู่ในที่ที่มันแบบว่าอะไรอ่ะมีป่าลังเนี่ยมันจะอยู่กันหนานแน่นแล้วก็จะอยู่กันช่วยกันได้พอเวลามีภัยหรือว่ามีลมพายุอะไรมานี่ก็จะปลอดภัยอย่าไปแยกย้ายอยู่โดดเดียวอยู่อะไรที่อื่นเลยนะเทวดาทางฝ่ายบัณฑิตบอกงี้พวกที่เป็นเทวดาฝ่ายบัณฑิตก็เลยเห็นด้วยนะัว่าเออสามคัคคีอยู่รวมกันอย่างนี้จะดีกว่าพวกนี้ก็เลยอยู่ ส่วนอีกพวกหนึ่งไม่เห็นด้วยบอกว่าโอ้โหอยากอยู่ไอ้ที่มันอะไรอ่ะเป็นเนินที่มันโดดเดน่นอ่ะที่บรรู่แล้วแหมคนพบเห็นหรือว่าคนมาเคารพคนมายกย่องน่อยู่ในเมืองอยู่ตามบ้านตามช่องอะไรอย่างนี้นะเทวดาพานเนี่ยพูง่ายยังติดในพวกอะไรลาบยศสารเสริญสักการะต่างๆเพราะนั้นเทวดาพวกนี้ก็เลย ย้ายที่อยู่เลยไปอยู่ตามนะ้าบ้านเมืองไปอยู่ตามบ้านช่องไปอยู่ตามที่ที่มันสูงหน่อยโดดเด่นหน่อยแม้ดูเป็นสง่าราศีก็เลยปรากฏว่าพอตอนหลังมีลมมีพายุมาเทวดาพวกนี้ปรากฏว่าไปอยู่ต้นไม้พวกนี้ใช่ไหมต้นไม้พวกนี้หักโค่นหมดเลยเพราะโดนลมพายุสัดสับหักพังหมดเทวดาพวกผานนี้ก็เลยเศร้าโศกเสียใจไล่ที่อยู่ ก็เลยต้องกลับมาที่ป่าลังนะอันนี้ถ้า ถ, ถ, ถ้าจําไม่ผิดนะรู้สึกเนื้อหาจะเป็นทํานองนี้แหละเพระพระเจ้าเนี่ยท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเห็นถึงการอยู่รวมกันสามัคคีกันนะอยู่หนาแน่นเนี่ยมันจะทําให้ป้องกันพายุได้พวกที่อยู่ในป่าลางเนี่ยพอเวลาลมพายุพัดมามันมีต้นไม้มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะพมันก็ช่วยช่วยนั่นไปได้ทําให้ต้นไม้ไม่หักโคน่น นะต่นี้พอผู้เจ้าทาตาดัดลุกธรรมชาดกเสร็จใช่ไหมแล้วก็ตัดเทศนาวัตกชาดกาอีกเรื่องหนึง่งความว่าดุก่อนมหาราชทั้งหลายเมื่อฝูงนกกระจาบ พ, พร้อมเพรียงกันอยู่นายพานก็ไม่อาจหาช่องทำร้ายได้ต่อเมื่อใดฝูงนกกระจาบเกิดแก่งแย่งกันขึ้นเมื่อนั้นบุตรนายพานจึงทำลายชีวิต เอานกกระจาบเหล่านั้นไปเสียขึ้นชื่อว่าความสุขสบายในการทะเลาะวิวาทย่อมไม่มีเลยคือถ้าทะเลาะกันแล้วเนี่ยไม่มีทางได้สุขสบายมีแต่ทุกข์หรือว่ามีแต่การบาดเจ็บมีแต่ความตายเกิดขึ้นเรื่องนี้คงจะคงจะหลายคนได้ยินได้ฟังจาได้ไหมเนี่ยเรื่องนกกระจาบเนี่ยที่ตอนแรกอะ่ะนายพานเนี่ยเป็นนายพานจับนก นะปรากฏว่าพอมาจับพวกนกรนนกระจาบานเนี่ยนกกระจาบนี่ตอนแรกสามคีกันไงพอเอาตะข่ายเนี่ยคลุมนกรนกระจาบปั๊บนกกระจาบทุกตัวเนี่ยจะพร้อมใจกันบินขึ้นมาพร้อมพร้อมๆกันก็เลยทําให้พาเอาไอ้ตะข่ายเนี่ยที่คลุมอยู่เนี่ยลอยขึ้นไปพอลอยขึ้นไปเสร็จฝูงนกนี้ก็จะเอาตะข่ายเนี่ยไปไว้ที่ยอดยอดไม้ไปเกี่ยวไว้ที่ยอดไม้ พวกตัวเองก็บินรอดออกมาได้วันปากฏว่านายพาเนี่ยจับยังไงจับยังไงจับยังไงไม่สำเร็จทังทีหลายครั้งเจนกระทั่งต่อหลังเนี่ยมีอยู่ข่าวหนึ่งปากฏว่านกกระจาบเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเกิดไปเหมือนกับว่าไปเหยียบเอาหัวอีกตัวหนึ่งเข้าโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยเสร็จแล้วพูดง่ายว่าขอโทษขอโพยเสร็จตัวที่โดนเหยียบหัวก็ไม่ยอม ยังไงก็ไม่ยอมแล้วก็เลยเกิดความไม่ชอบใจกันขึ้นมานะไม่ชอบใจกันท้าทายกันเกิดขึ้นท้าทายกันว่าเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแกล้งกันอะ่ะใช่ั้มทำให้ไม่ชอบใจกันนะ้่มาบอกบอกว่าอนแน่จริงนะข่าวนี้นะถ้านายพานเนี่ยใช้ตะข่ายมาดักจับนะถ้าแกแน่จริงแกบินขึ้นไปอบินให้ขึ้นก็เลยเกียงกันอยู่อย่างเนี้ย อันี้พอไปเจอเข้าจริงๆนายพานก็ใช้ตะข่ายมาดักจับอีกอันนี้ก็บอกเอาถ้าเก่งจริงก็บินขึ้นไปสิบินพาตะข่ายไปให้ขึ้นอันนั้นก็พยายามบินบินก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็บอกเอาแกเก่งแกก็บินสิอันนั้นก็บินพยายามจะขึ้นก็เกียงก็อยู่หน้าต่างคนต่างบินต่างคนต่างบินก็เลยนายพานมาพอดีก็เลยรวบหมดเลยว่านกกระจากทั้งฝูงเสร็จหมดก็พินาศไปด้วยกันหมด นันเนี่ยผู้จ่าท่านก็เอาชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใ น, นวันเนี่ยเป็นโทษภัยของการทะเลาะวิวาทพระาศาสดาตรัสชาดกห้าเรื่องเหล่านี้แล้วในที่สุดก็ตรัสเทศนาโอ้ยยังมีอีกนะยังมีแถมอีกอัตตะทันทสูตรคราวนี้ไม่ใช่ชาดกแล้วอันนี้เป็นพระสูตรอัตตะทันทสูตรเนี่ยพระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องของความโกรธ เนี่ยเรื่องของความโกรธเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันว่าเนี่ยไอการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมีแต่เพศภยัยมีแต่ทําลายมีแต่ทําให้เสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรที่จะไปโกรธไม่ควรจะไปเกลียดชังกันนะแล้วก็อย่าไปแก่งแย่งอย่าไปชิงดีชิงเด่นอย่าไปมีตันหาไป ม, มีอะไรนะทะเยอทยานอย่างงั้นอย่างนี้น พระพุทธเจ้าท่านก็นเล่าเพื่อที่จะแบบว่าให้ล้างไอ้ความทะเยอทะยานไอ้ความที่อยากเอาชนะกันแข่งกันอะไรพวกเนี้นะเพื่อที่จะให้แบบว่าถ้าล้างจิตหรือล้างทิฏฐิอย่างนี้ได้ก็จะทําให้อะไอ้ความโกรธความเกลียดชังอะไรพวกนี้ก็ลดลงแล้วก็ทําให้จิตใจเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็จะมีความสุขด้วยกัน แล้วก็จะเป็นทรรมนองนี้ในพระสูตรนี่นะพระราชาแม้ทั้งหมดสดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสคือพูดง่ายๆว่าฟังแล้วก็รู้ละเข้าใจละพระเจ้าก็พยายามปรับทิฏฐิของพวกกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยลงให้ได้นั้นก็เลยยอมพวกกษัตริย์ทั้งหลายก็เลยยอมก็เลยพอยอมแล้วก็เลยคิดกันนะคิดกันเองในหมู่กษัตริย์นี้ว่าคิดว่าเนี่ยถ้าหากพระศาสดา ไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฆ่าฟันซึ่งกันและกันจนเลือดไหลนองเป็นสายน้ำแน่ๆพวกเราได้ชีวิตเพราะอาศัยพระศ า, ศาสดาก็ถ้าพระศาสดาทรงครองเพศคารวาสราชสมบัติในทวีปใหญ่ทั้งสี่และทวีปน้อยอีกสองพันก็จะตกอยู่ในเงื้อมพระหัสของพระ อ, องค์คืออันนี้คือนึกเลยเถิดไปนะว่าเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ออกบวชนี่นะ เนี่ยรอบรองเลยผู้เจ้าต้องต้องได้ยิ่งใหญ่ต้องได้ครองอาณาจักรอาณาเขตต่างๆแน่นอนและพระองค์จะมีพระราชโอรสกว่าพันอันนี้เป็นสำนวนจริงๆแล้วหมายถึงว่าโอ้โหคนรักใคร่ชอบพอมีเยอะแยะะ ม, มีผู้ที่จะจงรักภักดีมีผู้ที่จะสืบทอดอะไรเนี่ยจะเยอะแยะมากมายแน่นอนนะพระราชโอรสกว่าพัน จะมีกษัตริย์เป็นบริวารมากมายเสด็จตามไปด้วยแต่ทว่าพระองค์ทรงสละราชสมบัติเสียแล้วเสด็จออกบรรพชาจนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณถึงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระองค์ก็ควรมีกษัตริย์เป็นบริวารตามเสด็จเที่ยวไปพูดง่ายๆคือปรึกษากั น, นว่าจะตอบแทนผู้เจ้ายังไงที่ผู้เจ้าเนี่ยอุตส่าห์มาช่วยทาให้ ไม่ต้องทงําสงครามไม่ต้องฆ่ากันเนี่ยไม่ต้องบาดเจ็บผู้ดง่ายว่ารอดตายมาได้ก็เพราะผู้เจ้าเสด็จมานี่เองนะแล้วก็อบรมสั่งสอนอะไรต่างๆก็เลยก็เลยขี่ไปเลยนะว่าเออระดับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าหน้าที่จะคือถ้าถ้าเป็นอา่าถ้าไม่บวชถ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิใช่ไหมเออก็จะมีคนเนี่ยติดสอยห้อยตาบดยแยะแต่ตอนนี้เอาละแม้พระเจ้าไม่ได้บวช เออไม่ได้เป็นจอมจั ก, กรพรรดิแต่มามาออกบวชแล้วพระเจ้าก็น้าที่จะแหมเป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วอะ่ะก็หน้าที่จะมีคนติดสอยห้อยตามเป็นบริวาร น, นี่คิ ด, ค, ดคิดแบบกษัตริย์ <c oughs> ครั้นปรึกษากันดังนี้แล้วกษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมารฝ่ายละ250องค์แดบแดดพระพุทธเจ้าอะ่ะคือพูดง่ายอ หมายถึงว่าเอาเจ้าชายต่างๆเนี่ยโอรสกษัตริย์นะ่ยนะยกให้พระเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงให้พระราชกุมารเหล่านั้นบนรรพชาแล้วเสด็จไปสู่มหาวันพูดง่ายว่าฝ่ายหนึ่ง250อีกฝ่ายหนึ่งให้มาอีก250เป็น500ฟรีฟรีตอนนี้ได้คนออกบวชฟรีฟรี500แล้วจริงๆไม่ฟรีอยู่นะเพราะว่า เป็นฝีมือของผู้เจ้าเจ้าแล้วก็คราวนี้นี่เป็นพวกลูกกษัตริย์ทั้งนั้นเลยที่มาปวด น, นับแต่นั้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุที่เป็นราชกุมารแวดล้อมเป็นบริวารตามเสด็จเที่ยวบินทบาทไปในพระนครทั้งสองคือบางคราวก็เสด็จไปเมืองกระบิลพัสนบางคราวก็เสด็จไปเมืองเทวทหะ แม้ชาวพนักคอทั้งสองก็กระทําสักการะใหญ่แก่พระองค์ผู้เจ้าท่านก็าบางทีไปเมืองนั่นทีมาเมืองนี้ทีเพื่อที่จะให้อะไรอ่ะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ได้รู้สึกดีๆกันเพิ่มยิ่งขึ้นนะฝ่ายพวกภิกษุราชกุมารเหล่านั้นบวช ด, ด้วยความเคารพในพระพุทธองค์แต่ความจริงหาได้บวช ด, ด้วยความเต็มใจของตนเองไม่ จึงได้เกิดความกระสันอยากจะสึกใช่แต่เท่านั้นพวกภรรยาเก่าของภิกษุเหล่านั้นยังกล่าวถ้อยคําและส่งข่าวสารไปยั่วยวนชวนให้เกิดความเบื่อหน่ายในธรรมอีกภิกษุราชกุมารเหล่านั้นก็ยิ่งเบื่อหน่ายหนักขึ้นเพราะว่าความจริงก็ไม่จะอยากจะบวชเองใช่ไหมเพราะว่าพระราชาแต่ละเมืองแต่ละที่แต่ละแห่งก็ ป่วยง่ายก็คงเกณฑ์เกณฑ์ลูปกริย์มาให้ทุบเท้เจ้าอะแล้วก็บวชคือมันไม่ใช่ว่าศรัทธาจริงๆจริงนะเคารพพระเจ้าน่ะจริงแต่คนเคารพพระเจ้าไม่ได้ไหมายความมันต้องออกบวชใช่ไหมเออเขาศรัทธาเขาเคารพแต่ว่าเขา อ, อาจจะอยู่ในเพศฆราวาสก็ได้แต่ตอนนี้นี่โดนจับให้บวชซะพอบวชเสร็จก็เลยคราวนี้ก็เลยคิดถึง เพราะว่าใครที่แต่งงานแต่งการไปแล้วมีภรรายาแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนใครอะ่ะเหมือนใครเจ้าชายทันทะเป็นไงพอแต่งงานวันแรกเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เลยให้ถือบาทตามาเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าบวชเถอะก็ <g ül> <g ül> <g ül> <g ül> เลยบวชอย่างเนี้จริงๆก็ใจยังไม่พร้อมนะเอใจยังไม่พร้อมวันพอ บ, บวชไปแล้วก็เลยปรากฏว่า เอาล้วสิคนนี้เริ่มคิดถึงดังอะไรอ่ะชนบทกระยาณีละเริ่มคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วเนี่ยโหยหาคิดถึงก็งเหมือนกันเลยนี่ลูกกษัตริย์มาบวชเป็นภิกษุประมาณห้าร้อห้ารูปเริ่มละเริ่มคิดถึงภรรยาคิดถึงความสุขที่เคยมียิ่งใครที่มีอามาเหตสีแล้วเนี่ยมีเออใครที่มีภรรยาแล้วเนี่ยนะ ก็ยิ่งบางทีส่งจดหมายถ้าเป็นเด oh, ี๋ยวนี้นะส่งจดหมายโอ้โหอาจจะคิดถึงอย่างงั้นอย่างนี้อาจจะโทรถ้าเป็นเดี๋ยวนีโทรมือถือมานะโอ้ยคิดถึงอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรโอ้โหก็เสร็จสิก็เดี๋ยวนี้ตัวอย่างก็มีที่พ่อท่านถึงบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยร้ายยิ่งกว่าโรคเอดร้ายยิ่งกว่าโรคเอดเพราะอะไร พอโทรคุยไปคุยมาโอ้โหยินดีพอใจอเกิดความรักใคร่ชอบพอเกิดความกสันที่อยากจะศึกก็ได้มันพ่อท่านถึงบอกว่าเนี่ยร้ายน ะ, ะโทรศัพท์นี่อย่านึกไว้นานนะเพราะนั้นอโศกเราเนี่ยพ่อท่านถึงบอกอ่าถ้าใครโทรคุยกับผู้หญิงมาถึงสมณะนี่นะใครโทรคุยกับผู้หญิงเนี่ยยิงยิงอะไรอ่ะคุยบ่อยๆคุ ย, ย ม, ามากๆอนี้ต้องระวังนะ แล้วที่ถูกอ่ะควรที่จะมีเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนรู้เพื่อนรับฟังอยู่ด้วยนะอะไม่จะยินแต่อย่างน้อยก็ยังรู้ว่าพูดอะไรไปบ้างถ้าเป็นสมัยก่อนที่ออกลําโพงเลยนะคุยโทรศัพท์แต่ที่นี่เราไม่ได้มีออกลําโพงแล้วเนี่ยเอาอันนี้ให้รู้ว่ามันต้องระวังแตอนนี้เนี่ยยิ่งปรายาเก่าพวกนี้ส่งข่าวมาส่งข่าวมาโห ก็คงคิดถึงเหมือนกันนะใช่ไหมก็ส่งข่าวมาวันคราวนี้เลยอดใจไม่ได้เลยเบื่อเบื่อธรรมะลนะเบื่อธรรมะไม่สนุกอะ่ะ เ, เริ่มคิดถึงบ้านแล้วเริ่มอยากกลับบ้านเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยสมาสิกขามาเรียนเนี่ยยิ่งมหนึ่งอ่ะเริ่มมาเรียนไม่นานนะโอ้คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านอนามาตรวจบันทึกเนี่ยคิดถึงบ้านอยู่เรื่อยเลย มาจะคิดไปถึงขนาดไหนกันเนี่ยยิดอะไรกันนักหนานะมันก็จริงนะบางทีมันก็เออเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรไอ้ใหม่ใหม่แปลกหูแปลกตาก็แปลกใจดี่ยนะแต่พอแปลกไปแปลกมามันชักไม่แปลกแล้วสิมันอยู่ไปแล้วมันชักจะคุ้นคราวนี้มันก็เริ่มคิดถึงความสุขเก่าๆนะปรากฏว่าภิกษุทั้งหมงนี่ก็เหมือนกันก็เริ่มคิดละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูแล้ว จึงทรงใคร่ครวนว่าภิกษุเหล่านี้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าเช่นเรายังมีใจกสันเกิดความเบื่อหน่ายในธรรมได้อีกฉะนั้นจะใช้ธรรมกราเช่นไรหนอจึงจะเป็นที่คลายใจของภิกษุเหล่านี้ได้ก็เห็นว่ากุนาระธรรมเทศนานี้แหละจะเป็นที่ช่วยให้คลายใจได้เอาแล้วนะพรเจ้าเีเนเ่น่เป็นเป็น คูบ า, าจารหรือว่าเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะนะพูดง่ายว่าเห็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นพวกภิกษุทั้งหลายเนี่ยเห็นลูกศิษย์นี่โอ้โหอยากจะศึกอยากจะศึกอยากจะศึกเนี่ยท่านก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอจะทํำยังไงถึงจะให้บวชไปได้ตอดลอดรอดฝั่งคิดไปคิดมาท่านก็บอกว่าคงจะต้องเทศเรื่องกุนาระชาดกเ น, นี่ยพูดง่าย ต้องเทศเรื่องนี้ให้ให้ฟังนะเพราะเรื่องนี้เท่านะที่จะคลายจิตคลายใจของภิกษุเหล่านี้ได้พระองค์จึงทรงตรึกต่อไปว่าเราจะพาภิกษุเหล่านี้ไปยังป่าหิมพานประกาศโทษของมาตุคามตามถ้อยคําของนกดูว่าวชื่อกูนาละให้ภิกษุเหล่านั้นได้ฟังนะพูดง่ายพุทธเจ้าก็เอาละนะเนี่ยต้องพาไปป่าหิมพานแล้ว นะเพื่อที่จะให้แบบว่าเนี่ยให้รู้โทษให้รู้ความทุกข์ที่แบบว่าเนี่ยถ้าไปมีการไปมีราคาไปกาําหนัดไปคิดถึงผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงนี่มีทุกข์มีโทษภายยังไงที่จะที่จะทําให้ภิกษุเนี่ยต้องลําบากแล้วคิดอันนี้ขึ้นมาก็เลยเอาละจะต้องทําอย่างงี้ละนะเพื่อละ ลดการมราคะไปเสียเราจะแสดงโสดาปฏิมักแก่ภิกษุทั้งหลายคือพูดง่ายเรื่องกุนาราชาดกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะมาเทศจะมาแสดงธรรมให้กับภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ฟังเพื่อที่ให้เห็นหนทางที่จะไปสู่ อ, อย่างน้อยก็เริ่มจากโสดาบันใช่ไหมแต่อันนี้เป็นโสดาปฏิมักหมายถึงว่าเส้นทางหรือวิธีปฏิบัติที่จะ เริ่มไปสู่ความเป็นพระโสดาบันได้นะเพราะนั้นกุณาราชาดกนี้เป็นเส้นทางนะที่จะให้ไปถึงครั้นเวลารุ่งเช้าพระองค์จึงทรงนุ่งห่มถือบาทจีวอนเสด็จเข้าไปบินทบาทณนะเมืองกระบิลพัอตอนนี้อยู่เมืองกะบิลพัทนะครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทรับสั่งให้หาภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นมาในเวลาเสร็จพัฒกิจแล้ว จึงตรัดถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเคยเห็นหิมวันตประเทศอันเป็นสถานที่น่าเรื่อนลมได้หรือไม่ยังไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าข้าก็พวกเธอปรารถนาจะไปยังที่นั้นกันไม่เล่าภิกษุกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์จะไปอย่างไรได้พระเจ้าข้าคือนี่อยู่เมืองบิลพัสน์นะ ปหิมพามันอยู่ไกลอยู่อีกที่หนึงเลยภิกษุก็เลยบอกโอ้โหแล้วจะไปยังไงอ่ะแม้อยากจะไปเนี่ยจะไปยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะพาพวกเธอไปเธอจะไปกันหรือไม่เราพระภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปพระเจ้าค่ะคืออยากจะไปเห็นป่าหิมพามเหมือนกันว่าโอ้โหเขาเล่าว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้เนี่ย อยากจะไปพระศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไปด้วยฤทธิ์ของพระองค์ให้ได้เห็นป่าหิมมวันทรงชี้ให้ชมภูเขาเจ็ดลูกคือภูเขาทองภูเขาเงินภูเขาแก้วมณีภูเขาหรอระดานภูเขามอภูเขาวลวนภูเขาแก้วพรึกคือในคือที่ที่ป่าหิ ม, มาพาเนี่ยมีภูเขาอยู่เจ็ดแห่งเจ็ดลูก แล้วทรงชี้ให้ดูแม่น้ำใหญ่ทั้งห้าสายคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนนาแม่น้ำอาิีราวดีแม่น้ำสรพีแม่น้ำมห ah e. ีนะอันนี้เป็นแม่น้ำห้าสายแล้วทรงชี้ให้ดูสระทั้งเจ็แห่งคือสระกันนมุนทะสระรัฐการสระมันทากินีสระศีห์ปะบาตะอะ ะสะศีหาประบาดสะชัดทันสระอนดาตสะกุนาระนี่นะกุนาระเนี่ยสถานีเป็นหนึ่งในเจ็ดสะที่ที่ป่าหิมพา น, นี่ภูเขาที่ได้ชื่อว่าหิมวันนั้นสูงถึงห้าร้อยยอดกว้างถึงสามพันยนดพระาศาสดาทรงชี้สถานที่อันน่ารื่นรมแล้วทรงชี้ให้ดูสัตว์สีเท้าเป็นต้นว่า ราชสีเสือโคร่งตระกูลช้างและสัตว์สองเท้ามีนกดุเวานะพูดง่ายว่าชี้สิงสาราสัตว์ต่างๆให้ให้ดูกันภูเขาหิมมืวันนั้นเป็นที่รื่นลมราวกับเป็นสวนที่ประดับตกแต่งไว้มีทั้งพันไม้อั น, อนมีดอกออกผลเกลื่อนกลนด้วยหมูนกนานาชนิดทั้งดอกไม้น้ำและดอกไม้บก ด้านทิศตะวันออกของภูเขาหิมมวันนั้นมีพื้นแผ่นสุวรรณก็คือมี ม, มีมีแร่ทองคํานั่นเองมีพื้นแผ่นสวรร์ด้านทิศตะวันตกมีพื้นหรอรดานมีพื้นหรอรดานหมายถึงว่าจะมีพวกแร่พวกกรรมฐานพวกอะไรเนี่ยหอรดานนี่จะมีสีเหลืองมีสีแดงพวกกรรมฐานพวกสารหนูอะไรพวกนี้จําเดิมแต่การที่ภิกษุเหล่านั้น เห็นสถานที่และวัตถุอันน่ารื่นลมเหล่านี้แล้วความกำหนัดยินดีในชายาก็เสื่อมหายไปเพราะอะไรอัตมาบอกแล้วโอ้โหไปเห็นอะไรตื่นตาตื่นใจแปลกแปลกใหม่ลืมไปแล้วตอนนี้ลืมชายาต่างๆไปแล้วอันนี้เป็นเทคนิคเป็นวิธีการเพราะว่าบางทีเนี่ยใครทุกข์ใครกุ้มใครเศร้าเรื่องอะไรอย่าไปให้นั่งจ้องอยู่คนเดียว บางทีเนี่ยเขาก็พาไปให้ไปคุยหรือว่าไปเห็นหรือว่าไปเจออะไรที่มันโอ้โหแปลกแปกแต ก, กต่างนะ่ามีอะไรตื่นเต้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันจะดึงจิตขึ้นมาได้ทำให้จิตเนี่ยบางทีก็เลยมาอยู่กับไอ้ปัจจุบันที่มันน่าตื่นเต้นเร้าใจมันก็ทําให้คลายใจจากไอ้ของเก่าที่ทุกๆกุ้มๆนั้นได้มันพู้เจ้าท่านก็นใช้วิธีการนี้นะทาให้แบบว่าตอนเนี้ย ภิกษุทั้ง500อนี่เริ่มเริ่มคลายใจแล้วนะเริ่มคลายใจไปแล้วนะชักจะลืมพระชายาต่างๆแล้วพระศาสดาจึงทรงปรง่งพระศาสดาจึงทรงเปล่งพระสุรเสียนอันไพเราะตัดเรียกภิกษุเหรานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งอันใดที่พวกเธอไม่เคยเห็นในเขาหิมะวันนี้ก็จงถามเราเถิด